อุปัตสุติสิกขาบท131ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ยืนแอบฟังภิกษุทั้งหลายผู้บาดหมางทะเละวิวาทกันณนะที่ไหนตอบทรงบัญญัตินกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักขี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 เกิดทางกายวาจากับจิต